นี่คือในการเปิดทำที่ถูกปิดภาพออนไลน์ทางเพียวธรรมะ .com อาตมาพระไพบูลอภิปุโนโจากวัดปา่าบาไหสศงก็มีผู้ดําเนินรายการร่วมด้วยนั่นคือหมอรัตรพงศ์ครับสวัสดีครับผมธนแพทย์รัตรพงศ์นกนตวิรุณ น, นะครับเป็นผู้ร่วมรายการวันนี้ก็เป็นตอนที่10บนะครับท่านตอนที่10บแล้วครับคือทุกๆตอนเนี่ยอาตมากับหมอรัตรพงศ์ก็จะมาพบท่านผู้ฟังนะทางพอตอาร์ก็ทําไมต้องเป็นพระไพบูล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 ไป่สมาธิต้องสุดยอดเลยใช่ครับพวกนั้นเป็นวิชาสมาธิหมดในทางไม่ดีใช่เพราะเบียดเบียนคนอื่นครับอ่านี่คือเราพบตายเพะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงบัญญัติไม่ชัดเจนอะไรคือสัมมาสมาธิไม่ชัดเจนก็คือสมาธิที่อยู่ในขั้นที่ฌานที่หนึ่งสองสามสี่ครับฌาน4ี่นะครับโดยไม่อาศัยสิ่งต่างๆภายนอกทำให้จิตเป็นสมาธิไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกาย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 เอาแค่ okay, นี้ก่อนสงัดจากสังกัดเนี่ยสังกัดเนี่ยนะเป็นภาษาไทยครับอถ้าไปดูภาษาบราภาษาอังกฤษที่เขาแปลมาเนี่ยครัรบเขาจะใช้รากศัพท์ของคําที่ว่าอแม้มแมลงสักตัวก็ไม่มีโอหมายความว่าไงหมายความว่าลากลางคืนเนี่ยถ้าคุณมาอยู่ที่วัดป่าตอนไหนโศกเนี่ยแต่เพรว่ามันจะมีมแมลงอะไรต่างมาร้องนิงแงนิงอะไรต่างกับมันนะอมืมยอย่างนี้คือไม่สงัดเลยฮะยังไม่สังัดสังกัดนี่คือแมลงสักตัวก็ไม่มี คือเหมือนกับคนอยู่ในที่เงียบมากๆจนหูเนี่ยมีเสียงหึ่งขอ่านั่นนะ่ะอย่างนั้นจึงจะสัสงกัดจริงๆสัสงกัดอย่างนี้นีส่สงังกัดอย่างนี้สัส ง, ง, สสงกัดจากอะไรสัสงกัดจากการมและกกกุศลธรรมทั้งหลายกกุศลละธรรมทั้งหลายเนี่ยพอจะนึกตัวอย่างเช่นจะเป็นเคยเคยได้ยินว่าคือพยาบาทเบียดเบียนใช่ไหมครับท่านอาจารย์ใามพยาบาทเบียดเบียนนี่คือชุดของ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 ก็เป็นอกุศลธรรมความอยากได้ของผู้อื่นนี่แหละฮะก็เป็นอกุศลอภิชาอภิชาคืออกุศลธรรมความคิดพวกนี้ไม่ให้มีความอคตันยูเป็นอกุศลธรรมไม่เอาออความที่คิดว่าพ่อแม่ไม่มีอทานให้ไม่มีอันนี้ก็เป็นอกุศลธรรมไม่เอาอือสงบเงียบอย่างนั้นเลยโออย่างนี้โอ้โหจิตท่านแหลมไปอะไรนิดนึงก็ถือว่าไม่ หรือสังข์ใช่ <มา S 2> ครั บ, <ช>รบทีนี้ว่าพอมีสงัดอย่างนี้แล้วเนี่ยในลักษณะ น, นั้นเนี่ยถ้ามีสังัดอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะความคิดใดๆที่เกิดขึ้นในความคิดในใจอะนะครับที่เกิดขึ้น ใ, นใดๆในจิตเนี่ยที่ไม่มีกามและอกุศลทมทั้งหลายแล้วทําให้ปีติและสุขเกิดขึ้นครับแล้วตั้งอยู่ได้นั่นหนหะคือฌานที่หนึ่งอ่าฌ<ร>านที่เนึ่งภาษาบาลีเขาว่าอย่างนี้ครับปิสมบัติเขาบอกว่าครับ เข้าถึงคือทางอย่างเงี้ยเรียกว่าเข้าถึงปมฐมฌานแล้วนะ <g rab> ซึ่งในองค์ประกอบเนี่ยจะมีวิตกวิจารณ์มีปิติะสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่คําว่าแล้วแลอยู่เนี่ยเาจมาตีความว่าอย่างนี้ตีความว่าแล้วตั้งอยู่ในวิหารธรรมนั้นได้ตั้งคือแล้วแลอยู่อแสดงว่ามีมีระยะเวลาที่มันทอดอยู่ <g rab> ว่าเราอยู่ในในความอาปิติสุขอยู่ได้อยู่ในระยะเวลาอันหนึ่งใช่ไหมหครับ<ช> <g rab> ไม่ใช <g rab> ป่ปหายแป๊บหายอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องครับ <g rab>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 ว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยมันเหมือนเราเร า, เราถูกไอ้พวกนิวรณ์หรือกิเลสต่างๆมาครอบคลุมก็คือโอ้โจิตถูกอยู่ใต้อํานาจของสิ่งเหล่านั้นใช่การที่จะเราจะพลิกขึ้นมามียมนั้นเนี่จิตเนี่ยยากไหมครับท่านตองนยากหรือง่ายเนี่ยมันมันคือ ม, มันได้ทั้งยากทั้งง่ายนะอย่าสงสมมติว่าถ้าอาจมาเคยยกอุ ป, ปมาอุปไมยอย่นี้ว่าสมมติในห้องเนี้มันสว่างอยู่ครับถ้าถ้าเราถามว่าความมืดอยู่ที่ไหน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 ห้างสัรพสินค้าเห็นของชิ้นนี้เห็นอาหารอยากแบบนี้แหมอยากกินมากเป็นไปตามอานาจปากเป็นไปตามอานาจผัสสะเห็นของอย่างนี้ต้องซื้อต้องเก็บต้องมีอันนี้ไปละถูกจิตถูกจิตบงการจิตเขาเนี่ยก็จะไหลไปตามสิ่งที่เขาชอบไหลไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เขาชอบตามหยาตนณาทั้งหลายที่สัมผัสที่เกิดผัสสะขึ้นมา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 บรรลุทำกันป๊บแป๊บป๊บแ๊บโอ้โหเข้าถึงระดับอริยะบุคคลขั้นต้นขั้นกลางขั้นอะไรก็เพราะว่าเขามีพื้นฐานของสมาธิดีครับเขามีพื้นฐานของสมาธิดีพื้นฐานของสมาธินี่ก็ก็เรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้จิตเนี่ยพร้อมตั้งมั่นในการที่จะจะเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปสึงวิมุตได้ใช่ครับ มีความตั้งมั่นจิตเป็นหนึ่งเดียวที่จะเข้าสู่ภาวะของอริยบุคคลได้ง่ายใช่ไหมครับใช่ครับเดีนี้นี่คือเราพูดถึงประเด็นง่ายๆคร่าวๆนะเกี่ยวกับเรื่องชา้นที่หนึ่งเท่านั้นเองครับชาติหนึ่งปฐมฌานปฐมฌานชั้นที่สองสามสี่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะไล่กันไปมีประเด็นหนึ่งที่อาตมาต้องการจอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสมาสมาธิเนี่ยคือบางคนจะบอกว่าสัมมาสมาธินี่เป็นก้อนๆเป็นสิ่งที่เราต้องเอาเป็นสิ่งที่เราต้องได้แต่นี้พรุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่แบบั้น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 หากคุณอยู่ในปิติสุขในสมาธิคุณต้องแยกออกมาเพื่ออ ะ, อะไรนะท่านเห็นตรงนี้มัน ย, ย, ยังยังยังยังไม่ค่อยชัดเจนกระจ่างเท่าไหร่ว่าเพื่ออะไรถ้าใครทําตรงนี้แล้วเนี่ยย่อมน้อมจิตไปเพื่อกระทำให้แจ้งด้วยปัญญายิ่งซึ่งทําได้ที่ควรกระทำให้แจ้งด้วยปัญญายิ่งได้ตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เรียกว่าสมาธิเนี่ยครูบาอาจารย์หลายท่านบอกว่าสมาธิ ท, า ไ, ทาไปทําไปแล้วไม่เกิดปัญญามันไปเก่ดปัญญาได้ไงวะครับตรงนี้พุทธบัณนะตรงนี้ซัพพอร์ตสนับสนุน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 อเห็นปฏิสัมพันธ์เรื่องราวที่พูดคุยด้นั่นแหละคือการที่พิจารณากลับะเห็นเหมือนคนอีกคนหนึ่งเห็นคนอีกคนหนึ่งคนยืนเห็นคนนั่งคนนั่งเห็นคนนอนคนอย่างนี้ไปอันนี้คือการของการที่มีสมาธิเนี่ยเป็นข้อแตกต่างว่าทําไมฤาษีสมัยก่อนเขาก็มีสมาธินะเดี๋ยพูดถึงแค่ชั้นสี่แต่ชั้นแปดเขาก็มีอืมคือเขาไม่บรรลุชั้นสี่เราเรียกกันว่ารูปฌานคือต้องอาศัยรูปนะครับใช่แล้วก็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 เขามีแต่ความสงบของจิตซึ่งนิ่งมากมากมอย่างเช่นของอัรูปะสัญไม่ตอนนี้คือว่ารูปประชานเรายังเรียกได้ใช่ไหมครับชาญหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าอัรูปประชานเนี่ยเข้าใจว่าในพุทธคว่าจนะไม่มีใช่ไหมครับไม่มีใช้คําว่าอัรูปะรูปสัญญาสมมาสัญญาสมาบัตอักรูปัสัญญาสมาบัติอต้องให้เข้าใจคําตรงนี้ว่าสมมาบัติเนี่ยสมาบัติเนี่ยก็คือทว่าต่างกระชานยังไง ครับต่างยังไงครับท่นานชาเนี่ยคือแปลว่าการเพ่งอ่าชาการเพ่งการเพ่งการเพ่งเนี่ยนี่คือศัพท์ของพุทเจ้านะครับปัจจุบันนี้เราเอามาใช้คําว่าเพ่งเนี่ยคือการบังคับเพ่งคือความเครียดต่างๆไม่ใช่อ๋อเพราะฉะนั้นเพ่งเนี่ยก็คือทําให้เกิดได้แต่อย่าบังคับบังคับกับเพ่งไม่เหมือนกันเอาใจจดใจจอกับบังคับไม่เหมือนกันอบางคนนั่งสมาธิเนี่ย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 ครับมีสติอยู่สติคือความระลึกได้ว่าอขณะนี้เรามีนิวรอันนี้พูดไปชัดเจนในเรื่องของธรรมายุปัสสนาสติปทานครับในในหมดของสมาธิทีนี้แต่ถ้าเรามีสมาธิโดยไม่มีสติได้ไหมก็พอดีมีสมาธิที่โดยไม่มีสติได้ไหมมีสมาธิโดยไม่มีสติได้นะได้นะคืออย่างพวกฤๅษีหรือคนที่นั่งสมาธิเก่งๆเนี่ยเพราะเามีปีติสุขที่อยู่ในสมาธิแล้วเนี่ยเขาก็จมดิ่งลงไป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 เวลาที่ไปสารที่หรือว่าที่ที่เรามีภาษาที่เราไม่น่าพอใจถ้าเราอดทนได้อดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้สามารถเข้าสู่สมาธิได้อหมายถึงไปที่ที่เราแบบไม่ไม่ดีมีมีภาษาที่ไม่ดีแล้วเรา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 แข็งแกร่งขึ้นเนยจิตเราก็จะเป็นสมาธิมากขึ้นครับคือถ้า แ, <ล>แตกจิตเราก็จะแตกก็จะไหลไปตามสิ่งนั้นครับพลังจิตอํานาจจิตของเราก็จะลดลงครับยการผมมองว่าการพิจารณาเช่นเนี่ยก็เป็นเนี่ยสัมมาทิฏฐิ<ๆ>เพราะว่าคนที่จะมองว่าอ่ามีผัสสะที่ไม่พอใจแล้วก็มองเห็นมุมที่ดีเนี่ยก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกันและก็ต้องศัยโอ้ก็จะเรียงร้อยเรื่องของอริยมรรคแปด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 เราจ ะ, จะถอย <ไข S 2> หรือเจะสู้อเราจะสู้หรือว่าเราจะถอยหรือเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไงเหมือนกันทําสมาธิเนี่ยก็จะมีอุปสรรคของสมาธิคร<ช>ับในอุปสรรคของสมาธิก็คือมีห้าอย่างห้าอย่างเดี๋ยว แ, <ล>แจกแจงเลยครับทา อ, อ, อย่างแรกก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องความอยากในกาม<อ>ความอยากเอาต้งแจกความอยากง่ายง่ายเอาอยากอยากกลับบ้านออยากกลับบ้านกินอยากนอนอยากภาพอยากอะไรต่างอนนี้ครับหรือความอยากที่ละเอียดขึ้นไปอยากให้จิตเป็นสมาธิ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 อมันก็ยังไม่ใช่สังกัดออใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเราต้องอย่าให้จิตสงบอย่าอยากให้จิตสงบอืแค่ทำให้โถเพราะอยากเนี่ยถ้าคุณอยากให้จิตเป็นสมาธินี่เรียกว่าเดินตรงข้ามตันทีครับออือ่แล้วก็ประการที่สองคือถ้าอจิตสงบแล้วปรากฏว่เาเอาเอาใหม่จิตฟุ้งซ่านครจิตมีความฟุ้งซ่ฟุ้งซ่านนี่ก็เป็นเครื่องกั้นอย่างที่สองนะ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 ไม่มีครับแต่ถ้านนคุณปฏิบัติไปคุณมีคำถามนั่นนี่อันนี้เป็นไปได้อะไยะบุคคลข่านต้นโซดาสกิธาอนาคามก็ยังมีคําถามได้อยู่ครับทีนี้นี่คือเรื่องของนิวรณิวรห้าจะโอ้โห<า>แบบว่าต้องเป็นสิ่งที่ต้องละต้องบรรเทาทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องสมาธิพูดถึงเรื่องนิวรณ์เนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องวิธีแก้นิวรณ์คือต้องเข้าใจก่อนว่านิวรณ์เนี่ยแสดงให้ความเครียดเกิดขึ้นอย่างคนอยู่ในที่ทํางานอย่างเนี้ย มีความเครียด่นหนังสือเครียดอ่นหนังสือเครียดสอนก็เครียดเด็กพูดไม่รู้เรื่องเครียดพวกนี้มาจากมีบอร์ตั้งนั้นครับอครับซึ่งคิดว่าอไอ้รายละเอียดตรงเนี้จะมาอธิบายให้ฟังครั้งต่อไปได้โอ้โหเครียดนี่พระอาจารย์ครับเนี่ยในในฐานะที่เป็นทนายแพทย์โอ้โหความเครียดนี่ปัจจุบันเนี่ยเป็นต้นเหตุใหญ่ของของโรคทางกายเลยนะครับโรคทางกายรวมทั้งมะเร็งด้วย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 อืนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับทุกๆคนทุกๆท่านผมผู้ที่ได้ฟังอันนี้ก็ผมว่านําไปประยุกต์ใช้นี้เป็นประโยชน์จึงจึงต้องบอกท่านผู้ฟังว่าไอ้เรื่องสมาธิเนี่ยคงต้องต่อไปอีกตอนหนึ่งตอนแรกคิดว่าจะทําตอนนี้มันจบเลยแต่ว่ามีประเด็นที่ต้องต้องคุบคุมกันใช่ใช่ครับ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 ก็แจ้งมากระด่ายเพราะบางทีฟีดแบคอะไรต่างแล้วก็ยินดียอมรับแหละยอมรับครับยอมรับเพราะว่าจะได้เป็นข้อปรับปรุงเพิ่มเติมในการดำเนินรายการต่อๆไปนะครับครับก็ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหโศกจังหวัดอุดรธานีไว้เท่านี้ครับจนครครับสวัสดีครับท่านผู้ฟัง